f i t y languages. 33. ที่สถานีรถไฟ a n i l a y รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Berlin ก็จะลงอัดเตอร์ไรล์ รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Paris จะขึ้นรถไฟออกเมื่อไหร่คะรถ ไ, ไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ London จะขึ้นรถไฟออกเมื่อไหร่คะนนรถ ไ, ไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ Warsaw จะขึ้นรถไฟออกเมื่อไหร่คะ รถไฟไปสต็อกโฮมออกกี่โมงคะสตอออ็อกโฮมอุบัติเค ล, ลื่อนรั้ยลเย ป, ปุรดุประพดมรถไฟไปบูดาเปสออกกี่โมงคะบูดาเปสตุบ ல ติเค ล, ลื่อนรั ப ยลเ த ு புறப்படும் ด, ด, ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่คะ่ะ எனக்கு าดริดอุบัติเคลื่อนรั้ยลเยปุรดุป ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะยานักกูปรากกูว่าร์ติเก็ตเว้นดงดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์หนึ่งที่ค่ะยานักกูเบอร์นกูว่าร์ติเก็ตเว้นดงรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหรค่คะไรล์เวี n นนาเยป ป, ปุร์ดูไปเสริม รถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟถมมไหมคะรถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ ร, ยย ร, รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะรายล ล, ล, ล์ลนนต้องการตัวไปบรัสเซลสหนึ่งเที่ยวค่ะยันักบรัสเซลส์กูอโอรวรวาดีติ๊กเก็ตเว้นดงดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ ยังคุกโควตันเฮกันคุกวันวันที่ตั๋วที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะสีปะเรล ர ுล ல க ை க ் க บัตรคุยต க ு எ த อ த ன อ ஆ க ุ ம ม